ได้พูดถึงปัจจัยของสุขและทุกข์ว่ามันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราเท่านั้นแต่อยู่ที่ว่าเราวางใจหรือรู้สึกกับมันอย่างไรแม้ว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเรา แต่ถ้าเราวางใจไม่ถูกต้องมันก็เป็นทุกข์แต่ว่าในทางตรงข้าแมแน่จะมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับทรัพย์สมบัติไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับสุขภาพไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ผู้คนที่เรารักหรือเรื่องงานการก็ดีแต่ถ้าเราวางใจไว้ให้ถูกต้อง หรือฉลาดทำใจนะมันก็ไม่ทุกข์อาจจะเป็นสุขหรือว่าได้ประโยชน์ไปซ้ำตอนนี้ก็ในเรื่องความทุกข์เนี่ยปัจจัยสำคัญก็คือว่าเราเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอย่างไม่ถูกต้องถ้าพูดไปให้ชัดเจนหรือว่าสรุปแบบเจาะจงลงไปเนี่ย ก็คือเราทุกข์เพราะความยึดติดนะเพราะใจเราไปยึดติดอันนี้ไปยึดติดในยึดติดอะไรบ้างนะหรือยึดติดในลนักษณะใดบ้างอย่างแรกคือไปยึดติดในอดีตดหรืออนาคตหมายความว่าเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วของก็หายไปแล้วคนรักก็ตายจากไปแล้วหรือว่าเขา เขาเลิกราจากเราไปแล้วคำตำหนิมันก็ผ่านไปแล้วแต่ว่าเราก็อดคุณคิดในเรื่องเหล่านั้นไม่ได้ยิ่งคิดมันก็ยิ่งซ้ำเติมให้ใจเนี่ยเป็นทุกข์หรือว่าเป็นเหมือนกับการกรี๊ด บาดแผลลงไปในใจเรามันอาจจะไม่ต่างจากการที่เร า, าถือเศษแก้วไว้ในมือถ้าเราถือไว้เฉยๆมันก็ไม่เป็นอะไรแต่พอเราบีบเรากำเราบีบเรากำครั้งแล้วครั้งเล่ามันก็เป็นแผล ก็เกิดอาการถลอกขึ้นมาเลือด ก, ก็ค่อยไหลซิฟถ้าถามว่าไอ้ที่เลือดไหลที่เจ็บปวดนั้นเนี่ยเป็นเพราะเศษแก้วหรือเป็นเพราะใจเราหรือเพราะมือเราเนี่ยไปเพียนบีบเพียนกรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่า เ, เศษแก้ววางไว้บนมือไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าไปบีบไปกรรมมันซ้ำแล้วซ้ำเล่า เราก็เจ็บเองแล้วจะไปโทษใครอันนี้เราเป็นความเป็นผลจากความที่เราไปยึดติดเหตุสิ่งที่มันเป็นอดีตซึ่งไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจแต่ก็อดไปคิดไปนึกคุ้นถึงมันไม่ได้บางทีเราก็ไปคิดกังวลถึงอนาคตว่ามันจะต้องเป็นอย่างโน้ตเป็นอย่างนี้ แล้วเราก็ทุกเสียงกับสิ่งที่เราพวงซึ่งบ่อยครั้งก็เป็นการปรุงแต่งไปล่วงหน้าหรือที่เรียกว่าตีตนไปก่อนไข้แล้วคนเจ็บคนป่วยเนี่ยไม่ได้ทุกที่กายอย่างเดียวแต่ว่าทุกใจไม่ได้ทุกเพราะโรคภัยไข้เจ็บอย่างเดียวแต่เป็นเพราะว่า ไปไปเปรียบเทียบ <c oughs> กับชีวิตก่อนที่จะป่วยว่าก่อนหน้านั้นฉันยังเดินได้อยู่เลยก่อนหน้านั้นฉันยังไปเที่ยวได้ฉันยังทําอะไรได้แต่ตอนนี้ฉันทําไม่ได้แล้วเพราะว่าอาจจะเป็นอมัมพาตพิการหรือว่าอาจจะต้องสูญเสียอวัยวะบางอย่างไปหรือเพียงแค่ว่านอนรมอยู่ ในการไปนึกเปรียบเทียบกับอดีตที่เคยมีความสุขแต่ตอนนี้ไม่เป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยมันก็ทําให้ความทุกข์เพิ่มเติมและเป็นทุกข์ทางใจหรือบางทีก็ไปคิดถึงเรื่องข้างหน้าว่าโอ้ฉันเป็นโลกนี้แล้วข้างหน้านี้มันคงจะแย่นะพอไปคิดไปถึงเรื่องข้างหน้าเท่านั้นแหละมันก็สุดเลย มีหลายคนที่ทีแรกก็เดินเถินได้ไปหาหมอด้วยตัวเองแต่พอหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งนะพอได้ยินคำนี้เท่านั้นแหละก็เรียกว่าสุดเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่มีเรืองไม่มีแรง หรือหมอบอกว่าเป็นโรคหัวใจนะที่เคยเดินไปไหนมาไหนได้ขึ้นบันไดได้ก็เป็นอันไม่มีแรงอันนี้ถามว่าเป็นเพราะเพราะโรคหัวใจหรือเป็นเพราะใจเนี่ยไปกังวลล่วงหน้าไปสร้างภาพว่าโอ้จะต้องเป็นอย่างน้นเป็นอย่างนี้อย่างที่ได้ยินได้เห็นคนเขาเป็นกันทั้งที่ทตัวนี้ไม่เป็นหรอกแต่ว่า สร้างภาพไปลงนานแล้วก็ไปกังวลไปยึดติดกับสิ่งที่สร้างภาพเอาไว้กนะ็เลยสุดเลยมีผู้ป่วยบางคนนอนสมอยู่โรงพยาบาลตอนหลังหมอก็มาบอกว่าเป็นมะเร็งนะอยู่ได้อีกสมเดือนปรากฏว่าอยู่ได้แค่สองอาทิตย์เท่านั้นแหละก็ตายนะแล้นี่ไม่ใช่เพราะตายเพราะมะเร็งนะ แต่ตายเพราะใจที่มันไปยึดติดกับสิ่งเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้ายังไม่ทันเกิดหรอกนะแต่ว่าไปไปกังวลกับมันว่าถ้ามันเล็งลูกลานจะเป็นยังไงจะต้องปวดโน่นปว ด, น, ปวดนี่นนเห็นคนอื่นเเป็นกันก็ไปสร้างภาพลวงน้าไว้แล้วแล้วก็ไปกังวลกับมันอันนี้เราไปยึดเสีดยด้กันนะคต เวลาเจ็บเวลาป่วยเนี่ยเราต้องระวังตรงนี้ให้มากเพราะว่าใจมันจะไปไปสร้างภาพลวงตาเอาไว้แล้วเรียกว่าติตนไปกอดไข้นะแล้วคนเราทุกพอ น, นี้มาคือไปยึดติดวดีตกับอนาคตนะจังที่ปัจจุบันนี้ก็สบายดีนะก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะักนะแต่พาะมันมีการเปรียบเทียบกับอดีตที่เคยดี หรือไปกังวลล่วงหน้า อ, อนาคตว่ามันจะไม่ดีและจะเร็วล้าไปกว่านี้ก็เลยเป็นอันว่าทุกทันทีเลยแล้วก็ทุกซ้าเติมกว่าที่เป็นอยู่คนีทุกความทุกเพระความติดยึดในลักษณะที่สองก็คือมาไปทุกเพราะไปยึดติดกับ สิ่งปรุงแต่งระยึติกับความคิดปรุงแต่งซึ่งแน่นอนก็หมายถึงความคิดปรุงแต่งไปในทางร้ายอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องอนาคตทีเดียวแต่เป็นเรื่องปัจจุบันนั่นแหละแต่ว่าเป็นปัจจุบันที่ปรุงแต่งขึ้นมามากลบมาทับอย่างเช่นมีคนคข้าลายหนึ่งเนี่ยอาจารย์ประเวศเาสีเทนก็ลอยฟังนอนนะไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงต้อง ให้คนหามให้ผู้ให้พยาบาลนีหามแล้วเข็นรถขนเปลงมาหาอาจารย์โบเว่ให้ตรวจเพราะว่าตัวซีดนไม่มีเรืองไม่มีแรงเลยอาจารย์โบเว่ก็ดูอาการแล้วก็รั่ถามใช้เวลาไม่นา น, นก็เสร็จแล้วก็คุยกับนักศึกษาแพทย์ที่มาดูที่มา มาดูงานามาดูคนไข้ได้วยกันนะบอกว่าไม่เป็นอะไรหรอกนะคนไข้คนเนี้ยนะมพนะีพยาธนะตัวซีดนะเขพยาตนะรักษาไม่ยากนะเดี๋ยวให้ยาให้ให้เหล็กให้กินเหล็กไปก็จะดีวันดีคืนัูดจบหันไปที่คนไข้เบอกว่าคนไข้ลุกขึ้นมาได้แนละ้วคนไข้ก็บอกว่าถ้ามันหายง่ายนี่ผมก็ไม่ต้องใช้เปลแล้วละ่ะ ขนเข็นเปลเไปเลยคือที่แรกไม่มีแรงไงแต่ทําไมอยู่ดีก็มีเรื่องมีแรงขึ้นมาเพราะอะไระเพียงแค่ได้ฟังคุณหมอพูดก็มีเรื่องมีแรงพราะรู้ว่าตัวเองไม่ได้เป็นอะไรมากก่อนหน้านั้นเนี่ยที่ไม่มีเรื่องม่มีแรงเพราะว่าไปคิดปรุงแต่งว่าสงสัยจะเป็นมันเลงแล้วมั่งสงสัยจะเป็นมันเ็งเม็ดเนื้อแล้วมั่งอะไรเงี้ยคือไปคิดปรุงแต่ง คือความปรุงแต่งที่มันคิดกันได้นะมันไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกติไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่ว่าพอไปยึดติดกับสิ่งที่ปรุงแต่งเนี่ว่าปรุงแต่งในทางลายเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาขึ้นมาทันทีนะความโกรธความโมโหไม่เป็นปัญหาปัญหาเกิดขึ้นเมื่อไปยึดกับมันนะแล้วก็ไปจมอยู่กับมันนั้นถ้ารู้มันไม่เป็นไรล้าความปรุงแต่งกับมันถ้าปรุงแต่งในทางลาย ไม่ยัเป็นต้องเป็นเรื่องอดีตเรื่องอนาคตนะแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นปัจจุบันแต่ปรุงแต่งไปล่วงหน้าเอาไปในทางรายเสือ่อแล้วนะเราก็แล้ไปยึดกรรมันเราก็ทุกเลยนะอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์กับเพื่อนในความสัมพันธ์กับครอบครัวกับสามีภรรยาเขามีพฤติกรรมบางอย่างนะเราก็ปรุงแต่งไปลนะปรุงแต่งไปสร้างเรื่อง สร้างลาวเสร็จสับและไปะยึติดกับมันนะจนคิดว่ามันเป็นจริงเป็นจังนะโดยหาคิดไม่ว่าอันนี้มันเป็นแค่ความคิดหรือแค่การปรุงแต่งเท่านั้นนะพอไปยึดมันเข้าว่ามันเป็นเรื่องจริงเรื่องจังนะใจก็สุดอาการร่างกายก็ไปด้วยกันเลย อันนี้ติดอย่างที่3มเนี่ยมันก็คือการประยึดติดกับสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาประยึดติดกับปัญหาต่างๆที่ผ่านเข้ามาหรือผู้อิจารณ์งคือไปยึดเอาสิ่งต่างๆมาเป็นปัญหาของตัวนะคือชีวิตของคนเราเนี่ยมันก็มีสิ่งที่ไม่ถูกใจหลายอย่างมีสิ่งที่ไม่สมหวังหลายอย่าง แต่ถ้าไปยึดไปติดไปเก็บไปสะสมมันเอาไว้มันก็กลายเป็นกลายเป็นปัญหาชีวิตขึ้นมาหรือไปยึดเอาสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นปัญหาของตัวมันก็หนักอกหนักใจขึ้นมา ท, ทันทีก็มีเรื่องเล่าว่าอันนี้เป็นเรื่องหลายสิบปีมาแล้วสมัยที่สาเด็จพระสังฆราชกมชรมหลวงวชิรยาณในวง นะวัดบวรนี่ท่านยังทรงพระชนอยู่ก็มีลูกศิษย์มาเป็นนายทหารมาด้วยสีหน้าที่ไม่ค่อยดีนะมาคือเป็นลูกศิษย์ของท่านก็คงจะมาหาอยู่อยู่บ่อยๆสมัยนั้นการเข้าเฝ้าสังฆราษเป็นเรื่องไม่ยากไม่ได้เป็นเรื่องที่ยุ่งยากเมืนสมัยนี้เพราะฉนั้นก็ไปเข้าเฝ้าได้ง่าย มาถึงก็ทูลแล้วพระสังฆราชบอไม่ไหวไม่ไหวหนักเหลือเกินหนักเหลือเกิ น, นท่านก็ถามว่าหนักเรื่องอะไรแข<ม>กฐานคนนี้ก็เล่าว่ามีปัญหาเรื่องครอบครัวปัญหาเรื่องลูกเรื่องที่ทํางานท่านก็เล่าไปปัญหาทั้งนั้นพูดไปก็บอกไม่ไหวหนักนักจยท่านก็ร่าท่านก็ฟังฟังอย่างเดียวเลย ท่าไม่ได้ไมไ่ตอบอไปเลยเสร็จแล้วฟังเสร็จนะก็ครงงานเน่ยเป็น1020นาทีมันมีแต่เรื่องหนักหนท่านก็บอกว่าอ้าให้ทําอะไรสักอย่างนึงได้ไหมเขาบอกว่าได้บอกเอานั่งคุกเขา่าเอามือยื่นมาทั้งสองข้างเสร็จแล้วท่านก็เอาบอกว า, กวาให้ถื้อกระดาษนะให้กระดาษแผ่นเดียวเทั้นและท่า น, นก็บอกว่านั่งอยู่ตรงนี้นะไม่ต้องไปไหน เดี๋ยวท่านจะเข้าไปทําธุระในตําหนักเดี๋ยวท่านก็หายไป5นาทีก็แล้ว10นาทีก็แล้ว15นาทีก็แล้ยี่นาทีก็แล้วคนนั้นก็ถือไอทีอ่กระดาษที่มันเคยเบามันก็กลายเป็นหนักมากหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆจนจนมือนี่สั่นเลยนะรอว่าท่าน ไม่เสร็จมาสักทีจนทั้งเกือบครึ่งชัว่วโมงท่านก็กลับเข้ามาท่านก็ถามว่าเป็นยังไทงท่านบอกโอ้ยหนักมากครับนะหนักไปเกินท่านก็พระสังฆราชก็บอกว่าเอาหนักก็วางสิถือไว้อย่างนี้มันมันก็ต้องหนักเป็นธรรมดาในนี้ทา่ทานท่านสอนนะโดยที่ไม่ได้เทศแต่ให้เขาได้เห็นเองว่า อะไรก็ตามเนี่ยถ้าไปยึดเอาไว้ถ้าไปยึดติดเอาไว้เนี่ยแม้แต่กระดาษแผ่นเดียวก็กลายเป็นหนักได้แต่ปัญหาของอานายทานคนนี้คือว่าไปยึดเอาทุกอย่างมาเป็นตัญาของตัวนะเรียกว่ายึดแล้วก็เก็บสะสมเอาไว้อะไรที่ผ่านเข้ามากลายเป็นเป็นกลายเป็นปัญหาหมดแล้วเมื่อกลายเป็นปัญหาแล้วไม่ใช่เท่านั้นก็ยังไปยึดไปติดไปเก็บเอาไว้อีกนะ อันนี้ท่านอาจารย์สอนให้ว่าให้จัปล่อยรู้จั ก, กวางนะไม่ใช่เอาเก็บสะสมทุกอย่างมาเป็นปนัญหาของตัวนะั่นคนเราทุกข้อเรื่องนี้มากนะคือคนเรานี่ถ้าจะไปเพ่งไปมองมันก็มีปัญหารอบตัวมีปัญหาไปได้ทุกจุดทุกมุมแต่ถ้าเราไปยึดไปเก็บไปสะสมมโนไว้เนี่ยมันก็ไม่ต่างจากการสะสมะขยะเอาไว้ในบ้านมากๆเข้ามากๆเข้ามันก็หมด มั น, ก, มน ก, ก็มันก็รบมันก็กลายเป็นไม่น่าดูขึ้นมาอันนี้นี่เป็นก็เป็นความยึดติดลักษณะหนึ่งซึ่งก็เป็นกันมากเนะื่องเพราะคนที่ชอบมองอะไรเป็นปัญหานะแล้วก็เผลอไปยึดมันว่ามาเป็นปัญหาของตัวอันนี้ยึดติดอย่างที่3าซึ่งมั น, ม, น, ม, นมันละเอียดเข้าไปใหญ่เข้าไปคือการไปยึดติดว่ามันเป็น มันเป็นมันเป็นทุกข์ของฉันมันเป็นมันเป็นคือพวกนี้คือไปยึดติดเป็นตัวกูของกูเนี่ยยึดติดเป็นตัวกูของกูขึ้นมามีความโกรธเกิดขึ้นก็ไปยึดว่านี่ความโกรธของฉันฉันโกรธตรงนี้เนี่ยนะอะไรที่เกิดขึ้นในทางที่ไม่ดีเนี่ย คือเช่นเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาการที่เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเนี่ยมันเป็นธรรมดาเพราะว่าชีวิตนี่มันก็เต็มไปด้วยทุกอยู่แล้วมันมีความทุกขบีบคั้นแต่เมื่อใดก็ตามที่เราไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวภูของกูขึ้นมาเนี่ยมันทุกทันทีเลยเนะถ้าเป็นทุกเฉยๆเนี่ยมันไม่เท่าไหร่แต่พอเป็นทุกของฉัน เป็นตัวกูของกูขึ้นมาเนี่ยมันทุกข์ทั้งๆ ท, ที่ไม่ชอบทุกข์นะแต่ว่าเราก็อดไปยึดไปดติดพรามันเป็นเราเป็นของเราแล้วไปเมาเป็นเป็นของเราไม่ได้อันนี้เนี่ยมันมันอาจจะไอสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยหลายเรื่องมันก็ไม่ใช่เรื่องอดีตไม่ใช่เรื่องอนาคตมันเป็นเรื่องปัจจุบัน แต่เรื่องปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปยึดติดกับมันเมื่อไรโดยพาปัจจุบันในทางที่มันเป็นอนิจฐาลมนะหรือว่าเป็นทุกขเวทนานเนี่ยไปยึดติดว่าเป็นเราเป็นของเราเราก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีนะความเจ็บความปวดเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องทำให้เราทุกข์คือเป็นแค่ทุกข์ที่กายแต่ว่าไปไม่ถึงใจถ้าเราไม่ไปยึด เอาว่ามันเป็นเราเป็นของเราแต่ทำไมเราถึงไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราได้ถ้าพูดอย่างสุขแน่ก็คือว่าเราเผลอไปเราไม่รู้เราเผลอเราไม่รู้ที่จริงไอ้ความเผลอหรือความหลงหรือความไม่รู้เนี่ยมันคือตัวการสำคัญที่ทำให้เราไปยึดติดในสามสีลักษณะที่พูดมาทั้งหมดนีรวมอยู่ที่ความเผลอความไม่รู้ความหลง ก็รู้ว่าไปก็รู้ว่าไอ้การไปคิดถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วมันไม่ดีไปนึกถึงคําตําหนิไปนึกถึงของที่หายไปแล้วเนี่ยบางทีเราก็รู้มันไม่ดีนะแต่ว่าก็อดดึกไม่ได้เพราะว่ามันเผลอใจมันเผลอกําลังทํางานกําลังสวดมน กำลังคุยกับเพื่อนกำลังกินข้าวเสร็จแล้วใจก็กวะไปถึงเงินที่หายถึงคำตำหนิคำด่า ว, ว่าของเพื่อนกนะำลังจะนอนอยู่อยากจะนอนให้หลับแต่ว่าใจมันก็อดเผลอไม่ได้ถึงเรื่องอดีที่เลวร้ายที่ไม่ถูกใจหรือไปกังวลถึงเรื่องอนาคตว่าพรุ่งนี้เราจะทำยังไงเราพร้อมงานเราเสร็จหรื อ, อยังพรุ่งนีนะ้อดคิดไม่ได้ อันนี้ไม่ใช่เป็นความตั้งใจแต่เป็นความเผลอเปานความเผลอให้ความไปยึติดว่าว่านี่มันเป็นเราเป็นของเรานี่มันทุกข์ของเราี่มันความเจ็บปวดของเราเราเป็นผู้ปวดอันนี้ก็เป็นเพราะความเผลอมอนกันนะความเผลอแล้วเราจะเราจะทำยังไงถึงจะไม่เผลอก็มีอันเดียวก็คือมีการมีสติคุอรู้นะ ถ้ารู้เมื่อไหร่ให้ความเผลอมันเกิดขึ้นไม่ได้รู้หรือระลึกได้ระลึกได้เวลาเราลืมมอะไรก็ตามเนี่ยเมื่อใดก็ตามเราระลึกได้ขึ้นมาไอ ก, การลืมมันก็หมดไป ก, ก, าการลืมกับระลึกได้นี่มันเป็นปฏิปักษ์กันระลึกได้หรือการรู้เนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่คู่กันเช่นเดียวกับความลืมกับความหลงมันก็คู่กัน แล้วลึกได้แล้วก็รู้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้ให้ความเผลอที่จะไปยึดติดต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากหรือว่ามันมาลายหายไปความโกรธเกิดขึ้นนะถ้าถ้าเราเรารู้นะเราก็ไม่เข้าไปเป็นมันนะเราก็ไม่เข้าไปเป็นมัน แต่ที่เราเป็นผู้โกรธก็เพราะเราเผลอนะก็เลยเข้าไปเป็นนะความยึดความติดเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ตรงนี้เพรความเผลอนะบางคนเกิดไฟไหม้ขึ้นมานะไฟไหม้ขึ้นมานี่นะไม่ได้ขดอะไรนะ แต่จะขนโองขนไหายนะหรือว่าขนโทรทัศน์ซึ่งราคาก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่นะแต่ว่าทาั้นที่มันมีชโหนมีเพชรมีพลอยที่ที่น่าจะคิดถึงหรือน่าที่จะเอามาแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขนมาแต่กลไปนขนโองขนหายขนนะขนโทรทัศน์ซึ่งมันหนัก ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าความเผลอความตื่นตกใจอะไรที่อยู่ใกล้มือก็ขนเอาไว้ก่อนนะแล้วขนแล้วบางทีก็ยังวางไม่ได้เด็ดซ้ำนะก็กอดไว้นี่นแหละแล้วนะจทั้งมีคนมาเตือนว่าโอ้ยวางได้แล้ววางได้แล้วนะนี่ความไม่รู้ความเผลอแล้วนั่นถ้าเรามีสติความระลึกได้เนี่ยมันจะช่วยมากได้เรามีความเกิบความปวดเนี่ย ถ้าเราเห็นความเกิดความปวดว่ามันเป็นเรื่องว่ามันก็อันหนึ่งว่ามันก็เป็นเวทนาว่ามนันเป็นเรื่องของกายไปใจก็ไม่ปวดด้วยใจก็ไม่ทุกข์ด้วยสเตนนี่มันช่วยทำให้เราเป็นทำให้เราทาให้เราเรียกว่าวางระยะนะไม่เข้าไปคุกเล้ากับกับทุกขเวทนา แต่ถ้าเราไม่ไ ม, ไม่ไม่มีสติเมื่อไหร่มันก็เข้าไปจมอยู่กับทุกขเวทนาเหมือนก็บเข้าไปอยู่ในกองไฟจาอยู่ในกองไฟันก็ทุกข์ทำไงถึงจะไม่ทุกข์ก็ต้องออกออ ก, ออกห่างจากกองไฟยิ่งห่างจากกองไฟมาเท่าไหร่มันก็มันก็ไม่ร้อนละยิ่งห่างเท่าไหรก่ก็ก็แค่รู้สึกขุ่นหรือว่าอาจจะรู้สึกไม่รู้สึกความร้อนเลย ทุกเวทนานี่เปลี่ยนเหมือนกองไฟและที่เราทุกข์อยู่เสมออยู่บ่อยๆก็เพราะว่าเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในกองไฟคือเข้าไปคลุกคล้าวกับความทุกข์อันนั้นเพราะไม่มีสติว่าความเผลอเราต้องเรียนรู้วิธีที่จ ะ, ะที่จะถอนใจออกมาไม่ไปยึดไม่ไปติดเอาสิ่งรหล่นั้นมาเป็น ตัวเราของเราการถอนใจออกมาเป็นแค่พูดดูอยวงห่างเนี่ยมันจะช่วยมากมีผู้ป่วยคนหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นมะเร็งปอดแล้วก็โดนโรคซ้ำกรรมซัดหลายอย่างก็คือเป็นมีโรคแทรกเข้ามาเป็นปอดบวมน้ำท่วมปอดการรักษาพยาบาลก็ทำให้มีความเจ็บปวดมากต้องเอา ต้องเอาเข็นไปดูดเอ า, าน้ำในปอดออกมานะความไอลงมาเลงนี่ผมก็ทำให้เจ็บปวดทุกทรมานอยู่แล้วนะผู้ป่วยท่านนี้ก็มีวิธีการก็คือบอกว่าบอกว่าเอาเอาสติมาตั้งไว้อยู่ที่เอาใจมาตั้งไว้อยู่ที่ไหลนะนภาพอย่างนี้คือถอนใจออกมาเป็นผู้ดูกายถอนใจามาดูกายดูกายที่มันเจ็บปวด โดยการนึกเป็นภาพเหมือนกับว่าเอาใจนี่มาตั้งไว้อยู่นหัวไหลแล้วก็มองมาที่กายเห็นกายมันปวดแต่พรากว่าใจนี่มันปวดน้อยลงนะเพราะว่าใจถอนออกมาแล้วมาเป็นแค่ผู้ดูกายนะแต่พอเผลอเมื่อไหร่เนี่ยใจมันก็เข้าไปรวมกับกายเพืป่ปวดแต่พอมีสติตั้งกันไม่ได้ก็ถอนใจออกมาดูกายนี่การอันนี้เป็นการคล้ายๆเป็นการ จินนาการขึ้นมาเสริมกับการมีสติให้เหมือนกับว่าเราถอดใจออกมาดูกายแต่ที่จริงตัวที่ดูกายเนี่ยก็คือสตินั่นเองเพงแค่มีสติมัน ก, ก็การดูก็เกิดขึ้นแต่ไม่มีไม่มีสติเมื่อไหร่ก็ไปเป็นวันนั้นก็คือว่าไปยึดเอาความเจ็บความปวดมาเป็นเราเป็นของเรานัการที่เรามีสติเนี่มันเป็นพูดดูอยูบอย่บ่อยๆดนะูบ่อยๆอะไรที่อะไรเกิดขึ้นกับใจก็ดูมันอะไรเกิดขึ้นกับกายก็ดูดูอย่างเดียว การดูเนี่ยจะไม่ทําให้ถูกดูดเข้าไปเข้าไปเป็นเข้าไปเข้าไปเป็นหรือไปยึดเอามันว่ามันเป็นเราเป็นของเราว่ามีความเจ็บปวดของเรานี่ความทุกข์ของเรานี่ความโกรธของเราเราเป็นผู้โกรธซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการคิดเองนะแต่มันเกิดจากา ก, จาการปฏิบัติเกิดจากการปฏิบัติบางทีสิ่งที่เราปฏิบัตินั้นเนี่ยอาจจะดูเหมือนไม่เกี่ยวข้อง นะกับกา ร, รเผชิญกับความเจ็บความปวดแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกันมากอย่างเช่นการที่เราจเจริญสติด้วยการเดินจงกรมตามลมหายใจนั่งสมาธิอันนี้มันก็เป็นการฝึกให้มีสติให้เป็นผู้ดูดูอะไรดูความรู้สึกนึกคิดที่มันปรุงแต่งขึ้นแต่ก่อนเราไม่ไม่เห็นเพราะเราไม่ได้ดูเพราะเราไม่รู้พเพราะเราเรากป็เป็นเลย เราคิดเรื่องอะไรแล้วก็ไปเป็นอย่างนั้นเรานึกเราปรุงแต่งว่าเราเป็นพี่เอกแล้วก็กลายเป็นพเพศจริงๆเหมือนกับเราดูละครทีแรกเราดูละครแต่ไปประมาเราโดดเข้าไปไปเป็นตัวละครด้วยนะเราไม่ใช่แค่ดูละครแล้วก็ร้องหมร้องไห้ไปตามตัวละครเท่านั้นแต่ว่าเราเผลอเข้าไปเป็นคือไปเล่นในเล่นในบนเวทีนั่นเลยนะแต่ถ้าเราเป็นแค่ผู้ดูละครและถ้าเราดูอย่างมีสติเนี่ยเราก็ไม่ได้ถูกไปกับเขา แต่เราอดไม่ได้ที่จะเข้าไปเป็นตัวละครนั้นเองอันนี้เพความเผลอเวลาเราคิดปรุงแต่งขึ้นมาในใจในขณะที่เําเดินจงกรมนั่งสมาธิถ้าเราเห็นมันเนี่ยมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็คลายมันก็มาลายหายไปแต่เราอดไม่ได้ที่จะเผลอเข้าไปไปยึดเอาความคิดเป็นเป็นเราเป็นของเรา น, น, นี่การฝึกเป็นการฝให้มีสติรู้กับ คามสูนึกคิดรวมทุงเวทนาที่เกิดขึ้นนี้แหละมันจะเป็นเครื่องเตรียมใจให้เราได้ได้ได้รับมือกับไอ้ทุกขเวทนาแรงๆเข้มขนที่จะเกิดขึ้นในยามที่เราเจ็บเราป่วยในยามที่เราแก่ในยามที่เราประสบกับเหตุไม่คาดฝันซึ่งสี่วรนี้ต้องเกิดจากการสะสมเรียนรู้ในชีวิตประจําวันการ การมีการมีสติเนี่ยถ้าเสริมด้วยปัญญาเนี่ยมันก็จะช่วยได้บางครั้งปัญญาใหม่ๆก็ จ, จะเป็นปัญญาที่เกิดจากการฟังเฉยๆแต่ว่ามาช่วยทำให้เกิดแนวคิดเช่นการที่เรารู้ได้ดนได้ฟังมาว่าไอ้ความทุกข์นี่มันไม่เที่ยงนะและการที่เราได้ยินได้ฟังว่าไอ้ความทุกข์ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอันนี้เนี่ยเมื่อเราได้ฟังแล้วแล้วก็เราได้ปฏิบัติตามไปด้วยเนี่ย จากการที่เรามีสติรูก้กายรู้ใจอย่างที่เราปฏิบัติกันตอนเชา้าตอนกลางวันหรือก่อนนอนเนี่ยมันก็ช่วยทําให้เราไม่เผลอนะแล้วก็จะทําให้เราไม่พลัดเข้าไปในความยึดติดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอดีตอนาคตหรือจะเป็นเรื่องที่เราฝันฟุ้งปรุงแต่งขึ้นมาเองเรารู้ว่าอ๋อนี่เป็นแค่ความฝันฟุ้งไม่ใช่ความจริงมันมีความเป็นไปได้อย่างอื่นด้วยไม่ใช่ไปต้องเป็นอย่างนี้อย่างเดียว เราก็ไม่ยึดติดกับไอ้ที่เราปรุงแต่งขึ้นมาให้ความความการที่จะการที่จะป้องกันไม่ให้สิ่งเลวร้วายเกิดขึ้นกําลราจะเป็นเรื่องยากไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมนามธระทับก็ตามแต่สิ่งที่เราทําได้คือการที่เราเกี่ยวข้งของกับมันอย่างถูกต้องนะความโกรธเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรมันโกรธก็โกรธไปแต่เราไม่ยึดมัน ถ้ามีคนถามหลวงปู่ดูลตอนนี้ตอน้าก็คนที่ถามนี่เขาก็ได้ยินเขาได้ยินเรื่องเล่าเรื่องลือมว่าท่านเป็นพระอรหันต์ก็ถามท่านตรงๆว่าหลวงปู่นี่มีโกฎ